ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธารชนทั้งหลายการบรรยายประสูดในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเปตวัตุคือเรื่องของเปรตคำว่าเปรตในความหมายที่สันแสดงไว้ในภาษาบาลีนั้นบางครั้งก็หมายเอาเฉพาะผู้ที่ตายไปแล้วบางครั้งก็หมายถึงเทวบุตรก็มี บางครั้งก็หมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดในเปตโลกคือเป็นชีวิตอีกแบบหนึง่งที่ท่านเรียกว่าปิติวิสัยคือวิสัยของเปรตพระสูตรที่ทรงแสดงในเปตวัตถุนั้นเป็นการแสดงแนวแปลกออกไปอีกทั้งที่เคยกล่าวไว้เลยว่าพระไตรบิดกนั้นไม่ได้จัดตามลำดับการ ว่าประสูตรไหนก่อนประสูตรไหนหลังจะเป็นการจัดขึ้นตามลักษณะของประสูตรเช่นว่าประสูตรที่มีขนาดยาวก็ไว้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าทีคณิกายประสูตรขนาดกลางก็อยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่ามัชฌิมนิกายตียกลุ่มหนึ่งก็เป็นจัดเอาแต่ละเรื่องมาไว้ในที่เดียวกันเรียกว่าสังยุตตนิกายเชเรื่องเทวดาก็อยู่กลุ่มหนึ่ง เรียกว่าเทวดาสังยุตซึ่งอาจจะอาจจะแสดงห่างกันเป็นสิปี20ปี30ปีก็ได้แต่สรุปแล้วว่าก็คือเรื่องของเทวดาก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการแสดงตามลำดับมากน้อยคือเริ่มจากน้อยไปหามากจำนวนธรรมะเริ่มหนึ่งสองสาไปเรื่อยๆไปแต่แนวของ เปตวตถุนั้นเป็นการแสดงแนวอีกแนวหนึ่งคือในพระไตรปิฎกจะแสดงเฉพาะพระคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงปราบรเรื่องนั้นส่วนรายละเอียดนั้นปรากฏในอัตถกถาคือหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกมีลักษณะเหมือนกับเรื่องธรรมบุตรที่เคยเล่ามาในวันก่อนสี่เรื่องเปตตวัตถุที่จะเล่าในวันนี้ เรียกว่าติโรกุตะกะเปตวัตถุก็แปลก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะแปลว่าเรื่องของเปรตที่ยืนอยู่นอกขวาเป็นต้นมีข้อความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้ า, าเสด็จประทับจูที่พระเวรุวันือตอนสัตวรู้ใหม่ๆนั่นเองก็ได้ทรงปราบรเปรต อันเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมิสาลแลรวก็ทรงแสดงพระคาถาเป็นใจความโดยสรุปว่าบรรดาเปรตทั้งหลายได้มาสู่บ้านญาติของตนได้ยืนอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยความหวังว่าเมื่อญาติพี่น้องของเราทำบุญก็คงจะอุอทิศส่วนกุศลอะไรมาให้เราบ้าง แต่บางครั้งบางคราวเพราะกรรมที่เปรตเหล่านั้นกระทาเอาไว้ก็บังบังเอาไว้ทำให้ญาติทั้งหมดที่ร่วมบำเพ็ญบุญไม่มีใครนึกถึงเปตเลยเปรตเหล่านั้นก็ไม่ได้รับส่วนบุญบุคคลทั้งหลายเมื่ออนุสรณ์ถึงเปรตคือระลึกถึงญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ควรจะกระทําบุญ คนในเปรตโลกนั้นไม่มีการกสิกรรมไม่มีการค้าขายไม่มีการเลี้ยงสัตว์ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเปรตเหล่านั้นอยู่ด้วยผลกรรมได้รับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศไปให้จากโลกนี้ดังนั้นเมื่อบุคคลได้ระลึกถึงญาติพี่น้องของตนที่ตายไปก็ควรจะอุทิศกุศล ส, ส่งไปให้ แก่ญาติพี่น้องเหล่านั้นโดยตั้งความปรารถนาว่าขอผลแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขเมื่อบุคคลได้กระทำเช่นนี้ผลนั้นก็จะบังเกิดแก่ญาติในเปตุโลกเหมือนกับค่วงนน้ำ ที่ไหลลงจากที่สูงก็จะไปลงไปสู่ที่ต่ำพวกน้ำเหล่านั้นสามารถทำแม่น้ำลำคลองมหาสมุทรให้เต็มได้เช่นใดทานที่บุคคลบริจาคในโลกนี้ก็จะถึงแก่ผู้ทีละโลกนี้เช่นเดียวกันฉชนนั้นการร้องไห้ก็ดี คามเศร้าโศกเสียใจยอย่างอื่นก็ดีเพราะปรารฏการตายของญาตินั้นไม่ได้มีผลอะไรเพราะญาติเองก็ไม่รู้ถึงการร้องให้ของญาติพี่น้องของตนที่ในโลกนี้ดังนั้นเมื่อบุคคลระลึกว่าคนนี้เป็นญาติเราคนนี้เป็นมิตรเราคนนั้นได้มีอุปการะต่อเราค น, คนนั้นได้ให้สิ่งของนั้นๆต่อเราแล้ว ก็ควรทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ญาติแล้วในที่สุดก็ส่งสรุปผลจากการกระทาโดยเฉพาะตอนนั้นก็แสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารก็รับสั่งว่าญาติธรรมอันมหาปภิษได้แสดงออกแล้วการบูชาต่อผู้ที่วายชนคือเปรตทั้งหลายมหาปภิษก็ได้กระทาแล้ว การให้กำลังกายแก่ภิกษุทั้งหลายมหาปพิธก็ได้สดแสดงแล้วบุญเป็นอันมากที่มหาปพิธได้กระทาแล้วในคราวนี้นี่ก็เป็นข้อความโดยสรุปในพระสูตรคือต่อมาแยกตัวเองออกมาเป็นพระสูตรเรียกว่าติโรกุตกสูตรแล้วพระก็นามาสวดเรียกว่าติโรกุตกรการถา แต่วสวดไปสวดมายัางเหลือนิดเดียวปัจจุบันเหลือ 4, สี่บรรทัดคือสวดอย่างประหยัดนะแต่รับไม่ประหยัดก็สี่บรรทัด ต, ตอนหลังเท่านั้นเป็นคาถาที่สวดงานศพท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังกันก ท, ท, ทั่วไปป ร, รีกประจําคือตั้งงานศพแล้วก็ต้องฟังคาถานี้ทีนี้ต่อไปท่านก็แสดงความเป็นมาของ เหตุเหตุที่ให้เกิดสวดแสดงพระคาถานี้ก็ย้อนต้นเลยเป็นข้อความที่ปรากฏในอัตถกถาปรมาถฑีปณีปรมาถดีปณีก็คือพระคำพีที่แสดงธรรมะอย่างแท้จริงมีข้อความโดยสรุปว่าในอดีตการนานไกลย้อนหลังไป92ากัปนับจากพัฒกาปนีพระภูมีพระภาคเจ้าทรงพระนามมพุทธะได้บังเกิดขึ้นในโลก เป็นโอรสของพระราชาตั้งแต่พระพุทธเจ้าบังเกิดมามีพระโอรสหลายพระองค์เสด็จออกพนวดแล้วคนเป็นอันมากก็ออกบวชโดยเสด็จพระราชาท่านเกิดผูกขาดพระเอาไว้คือนิมนต์ฉันในวังตลอดทำให้คนอื่นที่อยากทำบุญก็ไม่มีโอกาสได้ทำพระเจ้าโอรสต่างประมาณดากันสามพระองค์ก้ามาคิดว่า ที่พระราชาบิดาผูกขาดทำบุญสิอย่างนี้เราไม่มีโอกาสทำเลยเราจะทำยังไงดีก็เลยก็วางแผนสั่งพระพวกของตนชายแดนให้ทำทีก่อการจะลาจนขึ้นขางชายแดนพระราชาก็ส่งราชกุมารทั้งสามองค์นี้ไปปราบก็เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับมากราบทูลว่าปราบพรามปัจจันชนบทที่กำเริบเรียบร้อยแล้ว พระชาชาก็ดีพระไทยว่าเธอทั้งสามจะขอพร อ, อะไรคือจะให้ทุกอย่างเลยพระราชกุมารทั้งสามไม่ขออย่างอื่นแต่ขอทําบุญถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สามเดือนขอคนละเดือนพระราชาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะเพราะท่านรับสั่งว่าจะให้ทุกอย่างก็เลยก็ต้องให้ ราชกุมารทั้งสามก็สั่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของท่านสองคนที่เป็นหัวหน้าคือเป็นเสมียนกับขุนคลังให้รับภาระผิดชอบในการเลี้ยงดูพระอุธเจ้ากับพระสงฆ์แต่ราชกุมารเองนั้นไปบวชคือคือคกล้ๆเป็นชีประขาวเข้าไปอยู่ฟังธรรมจาศีลอยู่ในสำนักพระพุธเจ้าตลอดสามเดือน ญาติสองฝ่ายเนี่ยญาติของฝ่ายนายเสเมียนกับญาติของฝ่ายขุนคลังญาติฝ่ายขุนคลังนั้นไม่มีปัญหาเมื่อเขานำสิ่งของพร้อมด้วยคนตามตัวเลขท่านบอกว่าพันหนึ่งรอคนขนเข้าของมาเพื่อตเตรียมอาหารเลี้ยงดูพระพุทธเจ้านันก็ถูกญาติของนายเสเมียน แย่งชิงสิ่งของเหล่านั้นแล้วไปกินตัวเองเป็นนั้นมากแล้วนายเสเมียนเวลาจัดการเลี้ยงดูพระก็มีส่วนหนึ่งให้ถูกญาติยักยกเอาไปกินแท้กินซะก่อนพระราชากุมารก็ฟังธรรมจาศีลบำเพ็ญภาวนากันอยู่ตลอดสามสามเดือนนายเสเมียนก็ทาหน้าที่เลี้ยงดูพระสงฆ์ รอ้องญาติพี่น้องของตัวเองแล้วก็ญาติพี่น้องยกัยกย่อไปบ้างก็สามเดือนเหมือนกันคุ้นครั่งก็เหมือนกันแต่คุ้นครั่งนั้นเขาไม่มีปัญหาญาติพี่น้องเขาก็เป็นคนดีเลี้ยงดูกันดีพอเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นราชกุมารก็กลับไปครองบ้านครองเมืองเหมือนเดิมเสมียเงินคุ้นครั่งก็กลับไปรับหน้าที่ของตัวเองหลังจากตายไปแล้ว ก็แบ่งคนออกเป็นสามกนละุ่มสองกลุ่มอจะจริงสองกลุ่มไม่ใหญ่คือกลุ่มของราชกุมารสามสามองค์กับบริวารกลุ่มของนายเสเมียนที่เป็นคนดีแล้วก็กลุ่มของขุนครังที่เป็นคนดีพวก น, นี้ก็ตายในสุกติจุติจะสุกติเกิดในสุกติจุติจะสุกติก็ตายเกิดในสุกติอยู่เรื่อยเลยก็จากมาจนถึงพัตตกับก่อนหรือสมัย ประกาสปะสมาสัมพุทธเจ้าเตกลุ่มพวกญาติเนี่ยเหมือนกระจากนารกตายจากนารกเกิดนรกตายจากนารกเกิดนรกก็มาถึงสมัยประกาสปะสมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนพระพุทธเจ้าเราก็หมดกรรมระดับนรกเลยต้องมาเกิดเป็นเปรตที่หิวโหวยมากคราวที่ประชาชนเขาทําบุญอุทิศกุศลต่างๆกันก็นึกว่าใครจะอุทิศได้ตัวเองบ้างไม่ได้นะ ในสุดก็เข้าเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าต่อไปในาศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงมนาพระสมนณะขอดมญาติของเธอชื่อพิมพิสารจะทําบุญเอาที่กุศลไปให้เพราะนั้นพเธอก็ต้องรอกันไปพวกนี้รอกันขําหรือว่าพุทธันดรนหนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นในโลก ไอคนทั้งสามชุดนี้มันก็ลงมาหมดเลยลงมาบังเกิดคือลงมาขึ้นมาทั้งหมดพี่น้องสามคนพระราชกุมารทั้งสามนั้นก็มาเกิดเป็นปุราณิชินรือท่านอรุปลากัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะภกบริวารของท่านก็มาเกิดเป็นลูกศิษย์ของท่านนั่นชุดหนึ่งอีกชุดพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นนายสเอียนพระเจ้านายเสมเอียนก็มานายเสมเอียนในชาติโน้นนะฮะก็ก็ในพัตตะกับที่๙๑๒ก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารญาติพี่น้องที่ทําบุญร่วมกันก็มาเกิดเป็นบริวารบ้างเป็นอุรสธิดาบ้างแล้วขุนคลังก็มาเกิดเป็นวิสาขะอุบาสกซึ่งเป็น สามีของพระธรรมธินาเทรีที่เคยเล่าให้ฟังส่วนพวกเปรตพวกญาติที่ขโมยสิ่งของกินก็มาเกิดเป็นเปรตรอคอยผลบุญอยู่หลังจากพระพุทธเจ้าในเทศนาโปรดพวกปุราณชดินเือทั้งพันธ์แล้วเขาเสด็จมาที่กรุงราชคฤห์ประทับที่ลัทธิวันพระเจ้าพิมิสารกับบริวารก็เสด็จไปเฝ้าพระเจ้าทรงสแสดง อนุบุพีกัถากับอริยสัตสี่คนเหล่านั้นสิบสองนาหุด1ิ็ดนาหุดก็บรรลุโสดาบันอีกหนึ่งนาหุดก็ตั้งอยู่ในใจสนาคมนาหุดหนึ่งประมาณหนึ่งมื่นนะฮะแล้วก็พระเจ้าพิมิสารก็นึกถึงสถานที่เป็นที่ประทรับของพระพุทธเจ้าก็เลยถวายพระเวทุวัน ถวายทานแก่พระสงฆ์ถวายเสนาสนะแก่พระพุทธเจ้ามีประสงค์มีถวายแก่พระสงฆ์มีพระพระุทธเจ้าเป็นประมุขแต่ว่าก็ไม่ได้อุทิศกุศลอะไรให้ใครพอตกกลางคืนได้ยินเสียงพิลึกหน้าสะพึงกลัวรอบบริ เ, เวณวางนอนไม่หลับทั้งคืนหลวงชาก็เสด็จไปฟาดพระพุทธเจ้าบอกเมื่อคือนนี้ได้ยินเสียงหน้ากลัวระเกินโยหยขวน ขนปองสยองกล้าไม่ทราบว่จะเป็นอันตรายอะไรพระพุทธเจ้าบอกไม่มีอันตรายใดหรอกแต่เป็นเรื่องของญาติในภพชาติก่อนก่อนของพระองค์ก็หวังรอคอยผลของการอุทิศจากพระองค์อยู่เมื่อวานนี้พระองค์ทําบุญกุศลแต่ก็ไม่อุทิศไปให้ก็ก็ร้องไห้ส่งเสียงโอดครวญออกมาพระเจ้าปิณิสารก็กลับทูลว่า ถ้าวันนี้ข้าพระองค์จะถาวายทานนะจะได้ไหมพระเจ้ารับสั่งก็ก็ได้แล้วในสุดท่านก็ถาวายทานอุทิศส่วนทั้งหมดนะอุทิศกุศลคราวนัน้นก็ใช้คำสองประโยคนะฮะดังโวจะญาตินางโหตุสุขิตาโหตุญาตโยท่านั้นเองคือขอผลแห่งทานนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าขอญาติของข้าพเจ้าจงมีความสุขก็ท่านั้น พวกเหล่านั้นก็รอคอยกันมาตั้งนานในกาเลแล้วพอก็ให้ทานก็อนุโมทนาทันทีนายรัฐาบอกว่าพวกก็เกิดเป็นสระน้ําทิพขึ้นมาแล้วคนเหล่านั้นก็ลงสะสนานในสระน้ํามีอาหารที่เป็นทิพดื่มกินเข้าไปร่างกายก็คืนสู่สภาพเป็นเทพแต่ไม่มีผ้านุ่งตัวกลางคืนพวกนี้ก็ปรากฏตัวอกีก รูปร่างอย่างอินสวยงามหมดแต่ว่าไม่มีผ้าเลยท่านก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าพีแมสางก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้ า, จ า, า, า, จาว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็มีเทพเป็นนั้นมากปรากฏแล้วก็ผ้านุ่งไม่มีพระเจ้ารับสั่งวันนั่นแหละคือญาติของพระองค์อนุโมทนาส่วนบุญที่พระองค์อุทิศุขสนส่งไปให้แล้วก็อิมีผีมันร่างกายก็ฟื้นกลับ แต่เนื่องจากเมื่อวานนั้นไม่ได้ถวายผ้าอะไรเลยไมอุทิตกุศลที่เป็นผ้าไปให้เขาก็ยังไม่มีผ้าพระเจ้าพิมินทสารเลยต้องทําทานอีกทีหนึ่งถวายผ้าโดยเฉพาะอุทิตกุศลส่งไปให้แก่ญาติพวกญาติก็ประกอบด้วยภูษาที่เป็นชิปคือหมดหมดกรรมนะฮะเพราะกรรมเล็กน้อยทอนนั้นเด็มันทดช้ากันมานานแล้วเกินแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นเทพไปนี่ก็เป็นเปรตเรื่องแรก ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจะพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีแรกของการจัดสรูุ้นั้นเองแสดงเรื่องเบรดเรื่องนี้ก็ประมาณสักเดือน5นะแทนนั้นนะ่ะคือจัดสรู้เดือน6กก็หมุนกลับมาก็ประมาณเดือน5้าเพราะเดือน4ี่นั้นยังอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมเรื่องยังไม่ถึงปีแตการการจัดสรู้ของพระองค์หลังจากเรื่องราวเหล่านี้ แล้วต่อมาเรามีประเพณีที่เราเรียกว่าทาบุญวันศาสตร์คืออะไรละ่ะขึ้น15แรม15คข้ามเดือน10บมีการทาบุญอุทิศกุศลเส้นเปรตเล่นเปรตชิงเปรตไระไรตัวส่วนมากทางจังหวัดนครได้รับมาเต็มเป้่าเลยรับมาจากลังกาก็มีพิธีชิงเปรตแย่งเปรตกันปัจจุบันนี้ก็ ก, กางรื้อฟื้นกันประเด็นที่น่าศึกษาในเรื่องนี้ก็คือเรื่อง การทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เปรตและก็เรื่องของของสังสารวัตรที่ตกแต่งนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนในสมัยโน้นสมัยพระพุทธพระพุทธสระสมาธพระพุทธเจ้าเนี่ยอาการที่พระราชาไปปูกขาดถวายทานแก่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ไปนั้นก็ดูคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ราช ก, กุมารสามองค์นั้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางอัตยาสัยของท่านที่ท่านมีความรู้สึกว่าทาให้ท่านไม่มีโอกาสได้ทำบุญเลยท่านก็ขอร่วมในส่วนบุญแต่อย่าลืมว่าบุญในความหมายนี้ท่านเน้นไปที่ทานนะการให้ทานจนพยายามหาวิธีที่จะให้ทานกันแล้วก็มีการสร้างม็อบขึ้นมาตึงชายแดนเพราะั้นในเกมนี้เลยเล่นกันมานานแล้วนะ เล่นเกมจะของเงินอเมริกาอะไรเนี่สร้างคอมมนิทขึ้นมามั่งอะไรแต่ละก็สร้างกันเล่นๆแม่นเองมันเป็นวิธีอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความคิดมนุษย์มันก็หมุนนะแบบโลกมหมุนหมุนหมุนกลับไปกลับมาแนวสร้างมอบอย่างนี้ก็สร้างกันมาเรื่อยๆในประเทศลาวก็สร้างกันเพื่อของเงินอเมริกาอะเนี่ยอันนี้ก็สร้างเพื่อจะทําความดีก็เป็นเป็นเล่ทางการเมืองวิธีหนึ่งแต่ว่ามุ่งไปการไปทางการทาความดี ก็ทำให้เรามองเห็นกรงล้อทางความคิดว่าก็หมุนกลับไปกลับมากันสิ่งที่คนปัจจุบันคิดก็ไม่ใช่เรื่องคิดใหม่แต่เป็นคิดตามความคิดของคนเก่าจึงไม่มีอะไรใหม่อย่างแท้จริงอาการต่อไปก็คือเรื่องของคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นกุศลเราจะพบว่าในเรื่องเดียวกันก็มีความหลากหลายออกไปตามพื้นอัตยาัย ราจกุมารทั้งสามนั้นพร้อมด้วยบริวารมีพื้นอัยาศัยที่ประณีตมากนอกจากจะช่วยโอกาสทำทานท่านเองยังเพิ่มในส่วนศีลส่วนภาวนาขึ้นไปด้วยแล้วก็มอบหมายภารกิจในการให้ทานแก่คนอื่นกลุ่มกองนายเสมียนอะไรมันก็ดีแก่ก็ดีพระพวกส่วนมากก็ดีแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เกิดเป็นพิษขึ้นมา แต่ที่จะมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ทานแก่การบำเพ็ญบุญกุศลคือตัวเองไม่สามารถทำได้ก็เป็นเวยาวัจหมัยคือควรขวยโด้วยการช่วยเหลือในกิจการงานที่ชอบแต่กลับรูปอำนาจแก่ความโลภแบบภาพเหล่านี้เราจะพบว่ามันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนทุกแข่งซึ่งบางเรื่องอยังไม่น่าเชื่อคือวัดบางแห่งก็โปรดระวังรองเท้าของท่านจะหายแบบไปิดป้ายไว้ แ, แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงเห็นว่าคนมาในจุดในสถานที่เดียวกันมันน่าจะมาเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวกันแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาเป็นมาล้างผ่านสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ซ้ําซ้อนอีกแนวหนึ่งส่วนขุนคลางนั้นท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เรียกว่าตัวเองก็ดีญาติพี่น้องก็ดีในจุดนี้คือจุดตัวเปลี่ยน ที่เกิดจากกรรมถ้าเรานับกันตรงนี้เราจะเห็นว่าแต่ละคนนั้นสร้างกรรมในสัด ส, ส่วนไม่เท่ากันราชกุมารนั้นสร้างกรรมพิเศษกว่าคือกุศลลกรรมสูงกว่าพระเจ้าพิมพิสารเองก็สร้างกุศลกรรมในแนวที่ดีทั้งขุนคลางเอกก็ทำนองนั้นไปจากกรรมเหล่านี้ ร, ราชกุมารนายสมียน กับคุ้นครั้งก็จากสุคติสู่สุคติคือเกิดกี่ครั้งก็เกิดอยู่สุคติอยู่ด้วยก็ว่าไม่เบานะตั้งเท่าไหร่เกกลับจึงมากลับ9กกลับนี้พวกนรกหมดไอ้พวกที่กินแย่งอาหารกินนี่หมดกรรมระดับนรกแต่ก็ยังเหลือเศษกรรมก็เรียกว่าเป็นเศษอันเหลือมันก็คล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับ โทษจากในคุกแล้วประพฤกตอยู่อยู่ในระดับดีหรือดีมากมันก็ส่งไปอยู่แถวห้วยโปง่งที่ระยองอะไรเนี่ยคือไม่ถึงก็ติดคุกแต่ไม่ถึงก็ออกจากคุกก็เป็นเปรตผลของทานนั้นเป็นเรื่องที่แปลกว่ากว่าถ้าหากว่ากรรมมันบังเอาไว้ถึงแม้จะมีคนที่จริงเราก็ให้ทานแบบสเพรตตากันนะคร น่าจะได้เลยแต่ว่ากรรมมันบังไว้ปะทะไว้มันก็ให้ไม่ไดก้ก็เหมือนกันลักษณะของการกวาดพื้นหรืออะไรเนี่ยเราก็กวาดพื้นไปแต่ว่าพื้นส่วนหนึ่งมีสิ่งอะไรมันปิดเอาไว้แล้วกวาดมันก็ถูกข้างบนแต่ไม่ถูกข้างล่างข้างล่างก็เลยก็ไม่สะอาดเหมือนเดิมคนเรามีสิ่งหนึ่งที่มากั้นขวางเอาไว้คือกรรม ทำไม่มองไม่เห็นคิดไม่เห็นและไม่สามารถที่จะรับรู้จะเข้าใจได้เลยเพราะความมืดปอดในด้านจิตใจพวกเปรตเหล่านี้ไม่พร้อมที่ จ, จะจารโมทนาแม้อนันโมทนาแล้วก็ไม่ไม่พร้อมที่จะได้รับเพราะการมมันขวางเอาไว้หรือยังรับไม่ได้ต้องรอคอยกว่าจะสิ้นกรรมทีนี้จากคกื้อหึ่งสร้างมาผิดกันนั้นท่านจะเห็นว่าสร้างแนวโน้มต่างกันหมดเลย แนวโน้มต่างกันพวกราชกุมารทั้งสามนั้นยินดีในเนคขมะไปเลยออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นดาบวเป็นชดินมุ่งขัดเกลอกิเลสไม่สนใจเรื่องทานแล้วนะขึ้นไปขั้นสองขั้นแล้วขึ้นไปรวกภาวนาไปแล้วพระเจ้าพวกเสมียนก็มาอยู่ในกลุ่มในคือพระเจ้าพิมพิสารซึ่เรา เราจะเห็นว่าพระเจ้าพิมิสารดูตรงนี้คือท่านคล้ายๆจะสูงกว่าท่านวิสาขาอุบาสกเพราะท่านเป็นพระเจะเป็นดินแต่ว่าผลในความประณีต ด, ด้านจิตใจวิสาขาอุบาสกท่านเป็นพระอนาคามีนะครับพระเจ้าพิมิสารเป็นเพียงกสดาบันแล้วก็ถูกฆ่าตายด้วยวิสาขาอุบาสกเป็นพระอนาคามีที่หลังจากนั้นก็ เราเป็นประโยชน์แกสาธารณชนเป็นมากและยังให้ปัญญาตัวเองออกบวชเป็นภิกษุณีที่สําคัญองค์หนึ่งนี่คือจุดที่มันแตกต่างกันในด้า น, น, านพื้นอัจฉยาสายที่สะสมมามีความประนีก็จําแนกคนให้ห่างกันไปแม้บางจุดคล้ายจะไม่ห่างแต่แท้จริงมันก็ห่างกันแในประการต่อไปก็คือเรื่องเปรตเปรตเป็นเรื่องที่ออกจะน่าสังเกตว่าบางจําพวกเนี่ยมีในโลกมนุษย์ แตน่นรกไม่มีนะฮะ น, นรกไม่มีอสุรกายนั้นอาจจะมีมีบางพวก น, นรกจะอยู่ในโลกอื่นเลยเทวดาบางพวกมีในโลกมนุษย์ได้แต่อยู่ในมิติหนึ่งปัญหาเรื่องเปรตวันก่อนในมีคนเข้ามาพูดบอกว่าพระเถรซาผู้ใหญ่ท่านพูดออกวิทยุเสด้วยทีท่านบอกว่าเปรตเปดิดมีที่ไหนอ่านตะมาไปภูเขาคิจกูดมาแล้ว ลงจากภูเขาคิตจกรูดก็ไม่เห็นเปรตอะไรแสดงว่าเปรตไม่มีประเมินตัวเองสูงมากไปนะเนี่ยราคาหกสลึงไม่ตีจะตั้ง20่สบามสิบบาทนะันก็จักจะมากไปเพราะอะไรเพราะว่าในเงื่อนไขนั้นให้สังเกตนะว่าตอนลงจากภูเขาคิตจกูดที่พูดเรื่องสูงกระเปรตเป็นต้นเนี่ยมีพระอาราหันต์นั่นลงมาสององค์พระลักณะเป็นพระอาราหันต์ในกลุ่มโบราณนิชดินพันรูปนี่แหละ กับพระโมคคัลลานะซึ่งว่าจริงพระโมคคัลลานะบวชทีหลังเขาแต่พระลักษณะท่านลงด้วยตาธรรมดาคือไม่ใช้ที่ประจักษ์สุตรวดูโลกมาด้วยพระโมคคัลลานะท่านใช้ที่ประจักษ์สุตรวดูโลกมาพระลักษณะเอ่อพระลักษณะไม่เห็นแต่พระโมคคัลลานะเห็นเพราะการเห็นเปรตจึงเป็นการเห็นด้วยที่ประจักษ์สุไม่จะเห็นด้วยตาธรรมดาตาธรรมดาไม่ต้องหลวงพ่อองค์นั้นหรอกพระอรหันยังไม่เห็นเลย นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นในในแง่ของหลักฐานหลักเกณฑ์ต่างๆว่ามันมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่านึนกๆจะพูดเอาโดยไม่รับผิดชอบอะไรอย่าว่าแต่เราระดับธรรมดาเลยขนาดพระอาหารต์ทนก็ไม่เห็นถ้าท่านไม่ใช่ทิฏฐิจักสุทีนี้การเห็นเปรตนั้นก็มีอยู่หลายทางนะครับเท่าที่พบหลักฐานนั้นคือหนึ่งเห็นโดยทิฏฐิจักสุ ด, ดังกล่าวแล้วประการที่สองนั้น เปรตแสดงตัวปรากฏขอส่วนบุญอย่างที่พระเจ้าพิมิสารเห็นพระเจ้าพิมิสานไม่มีเทปจักษุนะฮะหรือท่านมีท่านก็ไม่ได้ใช้เทปจักษุแต่ท่านก็เห็นเพร่อเป็นการแสดงตัวของเปรตเหล่านั้นปรารถนาจะขอส่วนบุญอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความบังเอิญเช่นว่าเราไปในที่ไกลๆ ก, ก็เจอเปรตคนใดคนหนึ่งก็เห็นว่าพอจะพึ่งพาสายขอร้องอะไรได้เขาก็ปรากฏตัว ซึ่งว่าที่จริงก็ไม่มีอันตรายอะไรนะครับพวกเปรตเนี่ยเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่น่าสงสารมากคือบุญก็พอมีนะฮะแต่บาปมันบังเอาไว้เราทาให้ชีวิตอยู่ในลักษณะที่ออกจะอิรักอิเหลือพอสมควรในกรณีของการอุทิศกุศลถ้ามองในแนวของพุทธภาสิทธิ์ที่ส่งแสดงปรารบเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านทั้งหลายได้โปรดเข้าใจนะฮะต้องปรารบเรื่องนี้โดยเฉพาะคือคือการอุทิศกุศลนี่ นี่ก็มีพระก็ส่งจดหมายมาวัดจากอะไรวัดน้องเสืออยู่ที่ไหนไม่รู้นองเสือก็บอกว่าฟังพระปาตากถาทางวิทยุแล้วท่านรู้สึกหนักใจก็คงจะเป็นพระหนุ่มแต่อายุคงจะมากหน่อยคือพระก็ปฏิเสธหมดเลยผลทานผลศีลผลอะไรตระเปิดเปิดนี่ปฏิเสธหมดเลยแกฟังแล้วเลยก็สับสนก็ขอให้มาช่วยตอบออกวิทยุก็ออยังไม่ได้ตอบไปให้ ในข้อที่แกเล่ามาจากคานการฝั่งพระนั้นแสดงว่าพระองค์ที่พูดนั้นสับสนจังเลยสับสนจนน่าหวงว่าคงจะตกนรกแทนเปรตมัออนเหลือกำลังจริงๆเลยมันละชิงพระพุทธวจนะมั่วกันไปหมดเลยคือเราจะต้องดูว่าตอนนี้ท่านพูดถึงเรื่องอะไรเวลานี้พูดถึงเรื่องทานนะครพูดถึงการให้ทานนั้นจะรับเฉพาะประรัตถูปชีวีเปรต เปรตที่ต้องอาศัยผลบุญจากการอุทิศให้ของญาติแต่ว่าพวกอื่นมันจะออกมาในรูปอายุวันณาสุขภะระมัน ไ, ไม่ได้ออกมาแนวเดียวอย่างพวกเทวดาก็กรับในด้านอายุวรนนาสุขภะะหรือว่าพวกสัตว์โลกเหล่าอื่นก็จะได้ในรูปอายุวรรณาสุขภะละแต่ถ้าพวกที่ขาดแคลนอาหารเนี่ยก็จะได้อาหารก็ยังที่ทรงแสดงอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนไง อนาโดปลโดโคติ oh oti, ให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังใน ต, ตอนนี้พูดถึงการให้ข้าวน้ํากันพูดถึงเรื่องทานโดยเฉพาะแล้วทานประเภทอาหารด้วยเมื่อเราให้เป็นอาหารมันก็ออกมาเป็นรูปของอกําลังเรียกแรงผิวผันขึ้นมาพอเราให้เสื้อผ้ามันก็ออกมาในรูปเสื้อผ้าอย่างที่พระพิมุสานทำสองครั้งนะครัครั้งแร ก, กให้ทานโดยเฉพาะให้ข้าวกับน้ำํำข้าวน้ํา อ น, นังปานังนี่ให้ข้าวน้ําเพราะงั้นผลมันก็ออกมาเป็นน้ําคือสระอโนดัตแล้วออกมาเป็นอาหารคืออาหารทิพพอรุ่งขึ้เช้าเอ่อพวกน้ำมันก็ได้สองอย่างนะฮะร่างกายก็สะอาดขึ้นร่างกายสะอาดขึ้นก็ได้อาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีได้แรงมีกําลังมากขึ้นแต่ผ้านั้นไม่มีพอรุ่งขึ้เช้าเลยให้ผ้าทิพผ้าก็กลายเป็นผ้าอีกทีนะเป็นผ้าทิพขึ้นมานี่มันก็เรื่องของกิริยาปฏิกิริยาธรรมดานะ เราสร้างกิญญริยาอะไรปฏิกิริยาก็ออกมาในแนวนั้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องมีการอันโมทนาเฉพาะในประสูตย์นี้พูดถึงการอันโมทนาคือพลอยชื่นชมยินดีในการกระทำเหล่านั้นจากในยายักของประสูตย์คือตัวคาถานั้นแสดงว่าพวกเปรตเนี่ยแม้จะรอคอยผลดูโดยมุ่งหวังยังไงก็ตามพระญาติไม่ระลึกถึงการไม่ระลึกถึงของญาตินั้นบางทีอาจจะเพราะญาติไม่ระลึกเอง คือลืมไปเองก็ตายไปนานแล้วไม่มีความประทับใจอะไรหรือเพราะกรรมบันกำบังเอาเลยนะกรรมบังทำให้ลืมไปเลยนึกไม่ออกทำบุญอุทิศทบุญอะไรอุทิศกุศลนึ้งคนอื่นได้เรียบร้อยแต่ญาติพวกนั้นกลุ่มนั้นไม่ได้คิดเปตก็ไม่ได้โอกาสแล้วก็ส่งแสดงให้เห็นว่าชีวิตในเปตโลกนะฮะจากพระพุทธภาษีเนชีวิตในเปตโลกไม่ใช่ชีวิตที่ประกอบกิจการงานแต่เป็น โลกของการชดใช้กรรมมีกรรมเป็นอาหารมีกรรมเป็นอาหารก็เหมือนกับพวกเทวดามนกันพวกเทวดานั้นมีกรรมเป็นอาหารเพราะว่าการสิ้นอายุของเทวดาอย่างที่เคยพูดเรื่องเทวดานะฮะว่าสิ้นอายุเพราะหมดบุญบุญหมดอาหารหมดอายุหมดก็แสดงว่าคือคือถ้าบุญที่ให้เป็นเทวดาหมดมันก็ต้องหมดต้องเกิดเ อ, อ๊ไม่ใช่ต้องจุติ อาหารหมดอาหารทิพก็หมดพระหมดวันนั่งก็เหียวแล้วก็อายุขาดหรือว่าเกิดโกรธเนี่ยสีอย่างนี้คือทำให้เทวดาจุติพวกเปรตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะเป็นพวกประเภทเซวยกรรมนะฮะมีกรรมเป็นอาหารนี่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับสภาพชีวิตถึงมีโอกาสเราจะพูดถึงพวกวิ ญ, ญญาณิติกษัตตาวาสแ้วก็ เออนำเที่ยวเปรตวิมานกันสักพักก่อนออต่อไปก็ทรงแสดงว่าการที่เปรตเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเนี่ยก็อาศัยกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้นี่ก็ท่านจาแนกรายละเอียดไว้เยอะนะฮะกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้แต่มีบางพวกนั้นจะต้องได้รับอาหารจากจากญาติพี่น้องที่อุทิศกุศลส่งไปให้ แล้วก็ส่งแสดงว่าการอุทิศกุศลส่งไปให้เปรตนั้นจะเหมือนกับน้ําที่มันไหลนะตรงเนี้ยที่เราเอามาเป็นยาถาวารีวหาเนี่ยตีเวลาพระเขาให้ยาถาเนี่ยยาถาวารีวหานั้นมีสองท่อนนะฮะท่อนแรกนั้นคือเอามาจับตรงเนี้ยแล้วท่อนที่สองที่อิชิตังปจิตังตุมหังขิปเมวัสมิจเจตนะุเป็นคาถาอนโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นใครทําบุญอะไรของท่านและท่านว่าดบรรทัดตาเนี้ย อจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวัสมิเจตุสเพบุเรตุสังกปาจันโธปนารโสยถามณิโชติราโสยถาท่นว่าเท่านั้นแหะทุกทีทุกองค์ด้วยฮะแล้วก็ทุกทีด้วยว่าเท่านั้นเองเป็นการให้พรเพราะงั้นเมื่อมาต่อกันเนี่ยเมื่อมาต่อกันทั้งสองช่วงมันก็กลายเป็นว่าข่วงน้ําอันเต็มย่อมรำมหาสมุทรสาครตามลําดับนะให้เต็มได้ชั้นใด ทานที่ท่านบริจาคแล้วในโลกนี้ย่อมถึงแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันฉะ น, นั้นอันนี้คือในประศุนนี้แล้วก็ต่อด้วยคาถาพระปฏิเจับพุทธเจ้าว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสาเร็จเหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสแก้วมณีชื่อว่าโชติรถนี้เป็นแก้วคล้ายๆกัแก้วสาพัดนึกนะ การแแ ก, แกส้สะพัดนั่คือเราต้องการอะไรเราก็อธิษฐานจากแก้วนี้นะก็จะได้นี่ก็เป็นความเชื่อถือในสมัยนั้นแล้วก็อาจจะมีอยู่ในสมัยนั้นนะครับขอความดําริของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่เต็มบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญก็นี่ก็กลายมาเป็นคาถาและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงว่าบุคคลเมื่อระลึกถึงนะครคือเราจะต้องระลึกถึงญาติอุปกรารคุณของญาติต่างๆโดยในญาติต่างๆเนี่ย ระลึกถึงว่าเคยให้เคยเลี้ยงดูเคยอุปการะเคยเอื้อเฟื้ออะไรต่อเราต่างต่อเราแล้วก็ให้ให้ทานไปเมื่อให้ทานแล้วจะมีผลเป็นสี่อย่างทุกทีนะฮะในกรณีนี้อย่าลืมพูดถึงทานนะฮะพูดถึงทานว่าเมื่อให้ผลเป็นทานแล้วจะให้ผลเป็นสี่อย่างตลอดก็หนึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะต้องปฏิบัติต่อญาติ2อเป็นการบูชาต่อคุณความดีของ ของเปรตทั้งหลายนะของผู้ละไปแล้วคืออาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เรียกว่าผู้ละไปแล้วคือผู้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาคือให้กําลังแก่ภิกษุเพราะในด้านอาหารตุมเฮหิปุญญงปะสุตังอนับประกังบุญมีประมาณไม่น้อยที่ท่านทั้งหลายได้กระทําแล้วทีนี้บุญในแนวนี้นั้นไม่ได้หมายความว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําบุญของเราจะหมด ที่จริงมันเป็นการเพิ่มบุญไม่ใช่ลดบุญนะฮะไม่ได้แจกสตางค์ไม่เหมือนแจกสตางค์แต่ว่าจะเป็นการเพิ่มบุญมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำนั้นเป็นทานนามัยนะคือการให้ทานและต่อไปพออุทิศกุศลส่งให้เนี่ยมันเป็นเจ็จำหนงแต่นั้นเองเป็นเจ็จำหนงเป็นนามนธรรมก็เรียกปฏิทานนามัยคืออุทิศผลอันเกิดขึ้นแก่การทําบุญนี้ให้ผู้ที่วายชนไป พุทิวาชนก็อันโมทนาใหม่คืออันโมทนาสดบุญตอนนั้นมันก็เกิดเป็นบุญสามเขานั้นได้เพราะอาศัยบุญของเราเราเองก็ได้บุญในส่วนเราแต่ว่าได้บุญเพิ่มขึ้นนะแทนที่จะเป็นทานทเฉยๆก็เป็นการอุทิศกุศลส่งไปให้เขาด้วยเป็นการเพิ่มขึ้นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าบุญไม่ใช่น้อยที่มหาบาพิตได้กระทาแล้วปัญหาที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของเปรตนะครับ ว่าเปรตของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นออกจะเปรตที่จะคิดกลุ่มหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเวลาพูดแล้วมักจะยกเปรตพระเจ้าพิมพิสารขึ้นชีวิตของท่านเหล่านี้เป็นชีวิตที่เราเรียกว่าอบายอบายก็คือหาความเจริญไม่ได้กลุ่มอบายก็มีอยู่สกลุ่มไม่ใช่4ประเภทคือนิระยะนรกติระชานโยนิกำเนิดติระชานปิติวิศยภูมิแห่งเปรตและอสุรกายกับพวกอสุรกาย ภูมิแห่งเปรตเป็นภูมิที่ออกจะแปลกเพราะว่าเปรตบางพวกเนี่ยก็นเรียกเวมาในกับเปรตเปรตอยู่วิมานกลางวันในสบายเลยเป็นเทพที่ดาเลยแต่กลางคืนกลายเป็นสัตว์นรกคือต้องไปเสวยผลกรรมตัวเองก็กลับไปกลับมาก็เรียกว่าครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งบางบางพวกก็ปักหนึ่งบางพวกก็เจวันคือเจวันเสวยสุขแล้วก็7วันเสวยทุกข์บางพวก ก, พวก็15 ว, วันเสวยสุขสิห ว, วันเสวยทุ ก, กข์ นี่เรียกว่าเวมานี่กับเปรตมีเยอะแยะยไปหมดเลยที่ท่านจำแนกแสดงไว้นะครับทีนี้การบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลของพระเจ้าพิมินทร์สารในสมัยนั้นเป็นการทำแล้วก็กรวดน้ำอุทิศกุศลให้การกรวดน้ำเป็นธรรมเนียมที่มีอยู่ก่อนแต่ว่าแต่ก่อนจริงๆนั้นเขาลงไปในแม่น้ำเลย เพราะแนวความคิดนี่พ่วงน้าอันเต็มย่อมทํามหาสมุทรสาครอให้เต็มได้ชั้นใดทานที่ท่า น, านบริจาคแล้วในโลกนี้ย่อมถึงแก่ท่านภุรละโลกนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันจะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ากอดลงลงไปในแม่น้ําแล้วก็วักน้ําลงมาแล้วก็โปรยน้ําลงไปคือคือคือวักเอามือวักอย่างนี้ก็ค่อยค่อยปล่อยลงไปแนวการทําอย่างนี้แม้เวลาถาวายอาหารพรม ก, ก็ทําอย่างนั้นนะ ทำอย่างนั้นคือคือเขาจะยกข้าวยาคูก็ตักข้าวยาคูแล้วก็ปล่อยข้าวยาคูหลายลงมาทางข้อศอกนี่ใกล้ๆกับพรหมกินแล้วไงมัล้างมือให้พระพรหมกินเน่ยต่อมาเราก็ถือตามปฏิบัติตามแต่เราไม่ได้คิดแนวนั้นเราถือว่าน้ําเป็นอุ ป, ปมาแต่นั้นก็พระ้าปิมิสารทำคราวนั้นก็เทลงบนพื้นดินเทน้ําลงบนพื้นดินไม่ได้ลงมาในแม่น้ำจะเทรตรงนั้นแหละในประเทศในในพระเวรุวันนั่นแหะ แล้วก็เราก็รับสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันให้ท่านแสดงว่าอย่างทำรรเนียมการกรวดน้ําของเราที่จริงเราก็ไม่ยุติโดยเหตุผลนะฮะเราไม่ยุติโดยเหตุผลและหลักฐานเพราะว่าเราเวลากรวดน้ําเรามักจะล้างมือกันล้างมือกันเป็นการใหญ่เป็นมหากรรมเลยล้างมาก่อนก็ไม่เอามาล้างมาตรงนั้นแหละน้ําจะกรวดน้ําให้ญาติพี่น้องน่อยก็เอาน้ำสะอาดสะอาดก็ไม่เอาเลยล้างมือกันที่จริงเป็นการหลั่งน้ําลง หลังน้ําลงโดยให้น้ําสะอาดเป็นสื่อของใจที่สะอาดเป็นสื่อของใจที่สะอาดไม่ใช่ว่าไปเทน้ําแล้วเอามือไปรอกันเต็มไปที่ที่ราบตนี้ยื่นกันบางทีก็เกาะหลังกันเป็นแถวหรือจะทําอะไรกันก็ไปรู้อันเนี้คืออย่างในกรุงเทพเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดพอพูดกับชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูตามมาตาเรือนะฮะแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่แต่ทาไม่ได้แร้วพระท่านคุณคๆกับโยมประเดี๋ยวก็โดนเล โดนเทศกันย่อยๆกันอย่างเลแต่ว่ากรุงเทพเราไม่กล้าเพราะว่าพระที่นิมนต์ไปเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับเจ้าภาพเราจะไปพูดเราจะไปแนะอะไรก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเจ้าภาพโกรธจิตใจก็ขุดมัวเศร้าหมองแทนที่จะได้บูรณะนึกด่าพระอยู่ในใจนะมาด่าเราต่อหน้าคนก็ลําบากกันก็เลยก็รักษาน้ําใจเขานะฮะก็ไม่มีใครก็กล้าพูดเรื่องเรื่องนี้ที่จริงไม่ไม่ได้ถูกกดเกณฑ์อะไรเลยทําอย่างนั้นไม่รู้ออกมาจากไหนไม่รู้ไม่มีฮะ แบบฉบับแนวพุทธนั้นเราจะเทน้ําลงบนพื้นดินปัจจุบันเราก็มีที่รองแต่เราจะต้องเอาไปลงในดินอีกทีนึงเทลงบนพื้นดินแต่จะไม่มีการเอามือไปแตะตามเนียมการแตะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการกรวดน้ําแล้วก็เอามือรองฮะกับขันน้ำเอามือรองน้ํามันจะบ่ารดพื้นแต่นั้นเองฮะลองเอาขันน้ําเทน้ําดูทีนี้มันวิธีนี้เราเปลี่ยนหมดแล้วเราแก้วิธีแล้วมีพระจนากรวดน้ําโดยเฉพาะซึ่งไม่มีการบ่าเช่นนั้น นี่ก็เป็นการหารูปแบบะจับรูปแบบที่ไม่ตรงด้วยหลักฐานปัญหาสำคัญว่าเรื่องการอุทิศกุศลให้แก่เปรตมันเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงตั้งแต่ก็ปีแรกนะฮะยังไม่ครบปีหลังจากตรัสรูนั้นแสดงตั้งแต่ปีแรกว่าความมีอยู่ของเปรตนั้นเป็นเรื่องที่ อะไรธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเป็นบิญญาณทิติอย่างหนึ่งคือมันเกิดขึ้นด้วยกรรมคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับคุกเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกรรมมันไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยคนใครไปสร้างคุกขึ้นมาแต่มีกรรมประเภทหนึ่งทําให้บุคคลจะต้องสร้างสถานที่หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่ของคนกลุ่มนั้นนะยกตัวอย่างง่ายๆที่จะเห็นว่าราดยาวเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือขังคนประเภทที่เราเรียกว่าอันดพาน ทีนี้ตีต่างว่ามันไม่มีคนอันธพาลจะเกิดคุกประเภทนี้ขึ้นไหมมันก็ไม่เกิดแล้วทําไมเขาเป็นอันธพาลเพราะเขาทำกรรมในทุจริตเขาทากรรมในทุจริตก็ทําให้เขาเป็นอันธพาลเมืนน่อเมื่อเป็นอันธพาลก็เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อสังคมก็มอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้มาอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีสถานที่หเดิมขังคนเหล่านี้เอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมนี่กรรมเป็นตัวสร้างนะกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นคุกตารางมหันมโทษอะไรอะไรเนี่ย สมมติว่าเราไม่มีการฆ่ากาันการปล้นฆ่าอะไรเทไรนี่คุกขนาดบางขวางไม่มีแต่ว่าจําเป็นจะต้องมีคุกมหันต์โทษคือบางขวางเพราะระดับความผิดของคนกลุ่มหนึ่งมันแรงเกินมนุษย์มานาไปแล้วจะให้อยู่คุกเล็กๆก็ไม่ได้มันต้องสร้างคุกขึ้นอีกพวกหนึ่งแต่ในกรรมที่ลดหลั่นกันลงมานั้นอย่างเปรตเนีย เ, เป็นเป็นประเภทกรรมลดหลัน่นซึ่งกรรมมันก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันกรรมก็ใครก็กรรมของสัตว์นั่นเองแหะ เป็นตัวสร้างกรรมเอ้เป็นตัวสร้างกรรมขึ้นมาแล้วก็มีผลที่กระทบกระทบต่อตัวเองกระทบต่อคนอื่นซึ่งตัวเองก็จะต้องชดใช้อย่างเปรดของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเปรตพระญาตของพระเจ้าพิมพิสารนะฮะเราจะเห็นว่าตัวแรงมันอยู่ตรงไหนตัวแรงมันอยู่ที่ว่าของนั้นเป็นของของคนอื่นนั่นอย่างหนึ่งมันเป็นอาทินอาทาราจจะอยู่แล้วนะเป็นอาทินอาทานจะจะอยู่แล้วแล้วของนั้นเขาน้อมไปเพื่อจะถวายสม เขาอุทิศสมนะฮะเราไปกินแล้วก็ไม่ใช่กินตามสิทธทิที่เราจะได้กินด้วยเป็นการแย่งชิงแย่งชิงทุกตีคนนะฮะแย่งชิงทุกตีคนด้วยคนที่ถือถ้าเขาไม่ให้เขาก็ทุบตีเอาเวลาท่านเล่าถึงรายละเอียดเฉพาะประดนี้กรรมเลยมันสลับซับซ้อนหมดเลยฮนะมันมีทั้งอาทินาทานมีทั้งไอ้เครือของปานาธิบาตมีทั้งเครือของมุสานะมีทั้งไอ้เรียกว่ากิเลสทั้งสามกองนี่แรงได้เกิน โลภะก็แรงนะะที่จริงรอให้พระฉันหน่อยมันก็ได้กินนะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรกินซะก่อนนะอยากกินนะก่อนถ้ได้ว่าโลภะมันจัดนะไปจนถึงก็ยื้อแย่งเขาพอยื้อแย่งเขาเขาไม่ให้มันก็โทสะมันก็จัดทาไปโลภะโทสะโมหะมันเข้มข้นเหลือเกินแล้วเรามองสาภาพจิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านบอกว่าจากสวรรค์สู่สวรรค์นะจากสวรรค์สู่สวรรค์สลับซับซ้อนเนี่ย พราะดูแต่ละท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไม่ได้ทําเพราะนายก็สั่งนะนายเสเมียนก็ไม่ได้ทําเพราะเจ้าชายสามองศ์สั่งแล้วก็ขุนครางเองก็ไม่ได้ทำเพราะสั่งแต่พอรู้ข่าวท่านเกิดศรัทธาเปี่ยมลน้นคือทาด้วยใจฮทําด้วยใจเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับที่เล่าเรื่องอุตรามานพที่เป็นคนจัดถวายทานของพระเจ้าปายาสิในปายาสิราชั ญ, ญสุติราชฝังตอนต้นๆเนีน่ยมั่นก็นแนวอย่างนั้น ท่านไม่ได้ทําด้วยด้วยว่าเนี่ยพระเจ้าปายาสิสังให้ทําฉันต้องทําแต่ท่านทำด้วยศรัทธาเหนือกว่าพระเจ้าปายาสีเหนือกว่าเจ้าของฐานแต่เหตุเพราะงั้นเวลาได้วิมานองค์หนึ่งได้เสรีสกปวิมานว่างไม่มีอะไรแต่อุตรมามน ป, ประ์ไปอยู่ที่ดาวดึงคือวิมานสูงกว่าสูงกว่าเจ้านายเพราะเจตนาในการทําแตกต่างกัน เ, เรื่องของเปรตเนื่องจากเป็นเขาเรียกว่าเปรตโลกนะฮะ มันอา จ, จะเป็นมิติหนึ่งเฉพาะในโลกนี้ก็เป็นมิติหนึ่งซึ่งเป็นวิสัยของที่เป็นจักษุอย่างที่ว่าเนี่ยหรือเขาต้องการแสดงตัวให้เราปรากฏพวกนี้แนวเดียวกันนะแต่ว่าสัตว์นรกไม่เคยปรากฏในโลกนี้นะสัตว์นรกไม่มีแล้วก็ไม่ใช่อยู่ใต้ดินด้วยนะไอ้นรกใต้ดินนั้นเป็นนรกในในศาสนาพราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์นี่เราสับสนเราไม่รู้อะไรพูดอะไรพราหมณ์พระพุทธเจ้าเรียกโลกนะฮะนื้อยโลก ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่ดินนิรศนรกในนิฐานของพรามนั่นเองขุดไปก็เจอใส้เดือนนั่น ล, ลึกลึกลงไปก็ไม่เจออย่างอางื่นก็ไม่ได้เจอเมืองนรกอะไรการเห็นเปรตพระพุทธเจ้าเองนั้นได้ซอดพระเนธเห็นตั้งแต่คืนจัดสรุปปอบันรูทที่ปจักษุขนะฮะอย่าลืมประการมาฐานที่เราสวดอวัจนะวาสศีสมาปัจนะอวัจนะเนี่ย มันมีมีความจำเนิจํานานเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบรรลุญาณแล้วเนี่ยใช้ญาณฝึกญาณระลึกชาติกลับไปกลับมากลับมากลับไปสับด้านสับหบลังเนี่ยระลึกระลึกชาติ ย, อย reborn, ้อนเฉดครึ่งครึ่งคืนนีก็ไม่แค่ก้อนคืนอ่ะสส่วนอ่ะระลึกจนชํา น, นานพอถึงได้ทิพยักษุก็ฝึกทิพยจักษุอีกจนชํานานระลึกตรวจดูสัตว์โลกดูแคบดูใกล้ดูกรรม ด, ด, ดูดูหมดเลยฝึกทิพยักสูชํานานพอชํานานในด้านทิพยจักสูแล้วมันก็เข้าไปอาสวะขยาน เพราะนช่วงอะไรล่ะท่าสีชั่วโมงอ่ะใช้เวลาสีชั่วโมงนั้นดูสัตว์ประโลกก็ตรวจดูสัตว์ประโลกอยู่ด้วยทิพยจักสุเห็นหมดแล้วนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงโดยตรงในการณี้ของพระเจ้าพิมพิสารนั้นไม่ต้องเล่าอะไรเพราะพระเจ้าพิมพิสารเห็นเองนะพระเจ้าพิมพิสารต่านเห็นกับท่านเองพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์เห็นเพราะเปรตแสดงตัวให้ปรากฏแก่พระเจ้าพิมพิสาร แต่พอในกรณีอื่นเช่นพระโมคคัลลานะไปเห็นไม่มีประจกระักษ์ปัญญาเพราะพระลักษณะเองตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ที่ประจักษ์สูตรพระพุทธเจ้าก็เลยรับรองประเพณีเหล่านี้เราก็เห็นเห็นเมื่อไรเห็นเมื่อตอนตัดสรู้ขึ้นตะะัดสรู้บนพระแท่นนี่ัสรู้ยังไม่ได้บรรลุอานตะวะขคยานนะตอนที่ประจักษ์สูนั่นแหละวะสี ว, วสีทั้งห้าประการที่ที่สวดเวลาว่ากรรมฐานมันใช้ทุกกรณีนะฮะใช้ทุกกรณีขึ้นไปจนถึงแม้ได้ญาณแล้วก็เป็นวสีขึ้นมาใน ในตัวของยานเนี่ยมีความชานิชานาญคล่องแคแล่วระลึกศัพท์ลำดับข้ามลําดับกระโดดจากหน้าไปหลังอะไร่ะไรได้ได้หมดก็กลายเป็นวัสีพระเจ้า ก, ก็ดูรู้เห็นโดยทิพะจักษุอย่าลืมนะฮะตรงนี้เรื่องทิพะจักษุทีนี้ประเด็นในการให้ทานอุทิศกุศลแก่เปรตอย่าลืมเรื่องของสามประเด็นนะที่ว่าเราจะต้องทําบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทําไปแล้วต้องอุชิตกุศลให้แก่เปรตเหล่านั้นแล้วเปรตต้องรับทราบนะต้องรับทราบอนุโมทนาจึงครบด้วยองค์สามถ้าอย่างนี้แล้วก็เป็นไปอย่างในสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทีนี้จากจุดนี้ก็อยากจะดึงไปหาอีกสูตรหนึ่งที่เขาเรียกว่าชานุโสนีสูตรจึ่งจึ่งึ่งึ ง, ง, งพระองค์นั้นที่เอามาพูดนะพระองค์นั้นอุปมาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้านะวันนั้น ท, ท, ท, ที่พระที่เขาเขียนมาถามเนี่ยอุมาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าไปเลยเในชานุสโณนีสูตรนั้นพูดถึงในกรณีของการให้ทานเหมือนกันแล้วก็พูดถึงว่าจะได้รับทุกคนไหมญาติพี่น้องของเราเนี่จะได้รับทุกคนมาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของฐานะอาฐานะคือมันมันมันเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าญาติของเราไม่ได้เกิดเป็นเปรเตทั้งหมดนี่นะ ย่าก็เราไม่ได้เกิดเป็นเปรตทั้งหมดแล้วเราอุทิศอาหารไปให้ยังไงสมมุติว่าย่าก็เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราอุทิศกุศลไปให้แกจะได้อาหารยังไงแกก็มีอาหารของแกแล้วเนี่ ย, ยงั้นแกแล้วประเภทจะเฉพาะได้อาหารทิพเทวดาเองก็มีอาหารทิพอะไรของเขาแล้วเพราะงั้นถ้าในากรณีนี้นะถ้าในากรณีเป็นอาหารนั้นจะได้รับเฉพาะประหลาตะูประชีวีเปรตตรงนี้แหละคือความจับศน เพราะไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวเวลารับส่วนบุญนะครมันจะออกมาเป็นรูปอย่างอื่นฮะเช่นเช่นช่นอะไรเช่นพาสิทธิ์ที่ยกมาตอนต้นข้อนะให้ข้าวน้ําที่ว่าให้กําลังให้ผ้าที่ว่าให้ผิวพรรณให้ยานที่ว่าให้ความสุขให้ประทีปก็ให้แสงสว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาต่อกันทั้งหมดเลยแต่เราให้อะไรมันก็เป็นสิ่งนั้นให้อะไรมันก็เป็นสิ่งนั้นแก่คนเหล่านั้นแต่ในกรณีที่เขามีแล้วล่ะ กรณีที่ที่เขามีแล้วเขามีของเขาอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เกิดเป็นพาดชีพขึ้นมาแต่จะเกิดเป็นรูปของอายุวันณนะสุขะภะนี่และพรที่เราเรียกเรียกกันมีอยู่สี่อย่างนี่ niejs, อายุวโนโสุขังพลังมันเพิ่มขึ้นมาเป็นอายุ <rt> เพิ่มขึ้นมาเป็นกำลัง <P> เพิ่มขึ้นมาเป็นวันนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นความสุขตอนชา้าเนี่ยอ๋อท่านฟั ง, งท่านท่านท่าคุณวัดอรุณจะคุณวัดอรุณก็พูดอันนี้นะฮะคือ ก็อบอกว่าพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยท่านได้รับคำทํานายว่าอีกเจ็ดวันอยฮะจะที่วงคดคำทํานายเจ็ดวันอันที่วงคดทา่านก็กลับบางได้กลับบังเนี่มาเจอพวกปลานี่ยมันยู่ติดอยู่ในหนองท่านก็ลงไปเรื่องก็เอาปลากรอบใส่เอาเสื้อทําเป็นที่ใส่ปลาเนี่ยแล้วไม่ปล่อยก็ไปนอนรอคอยตายอยู่ไม่ถึงไม่ตาย เอ้ไม่น่าจะทํานายผิดหรือสีไม่น่าจะทํานายผิดก็กลับมาถามว่าคําทํานายน่าผิดนะฤๅษีก็บอกเอ้ทีจริงไม่ผิดนะมาว่าพิดไปทําอะไรบ้างเปล่าเนี่ยบอกว่าตอนเดินทางเนี่ยเอาปลาไปปล่อยบอก อ, อ, อ, อันนี้เองอันนี้เองมันให้อะไรมันให้อายุเพราะอะไรเพราะเราให้อายุเขามันเกิดให้อายุมันก็ตัดกรรมได้เป็นกุศลและเจตนาที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรมาก แล้วเรื่องเหล่านี้ก็มีพระสมัยพุทธกาลก็มีนะกําหนดจะตายเนี่ยวันนั้นแหละพอดีท่านก็ไปช่วยสัตว์เดินระยะเดินทางเนี่ยเกิดไปช่วยสัตว์ไว้ไม่พอถึงวันตายกาหนดจริงๆมันเกิดไม่ตายเพราะไปให้ไปยืดอายุเขาไอกรรมนั้นมองกายืดอายุเราเป็นเรื่องกิริยาปฏิกริยามันจะให้ไปตามส่วนของกรรมซึ่งหลักเหล่านี้มันจะยันกันทั้งหมดเลยนะคร เรามองดูในดูมันจะเคยเล่าให้ฟังักทีนะฮะที่มีคนก็มาถามเรื่องว่าคนสองคนนะครคนหนึ่งอย่างอื่นดีหมดแต่ไม่ทานนะ่ยมันจะเดินมาเคียงขนานกันเลยแต่มันจะต่างในจุดเดียวนั้นเององค์หนึ่งนั้นสมมุติว่าบวชก็บวชได้เหมือนกันนะฮะเป็นพระได้เหมือนกันรักษาศีลอะไ ร, รได้เหมือนกันแต่องค์หนึ่งจะบินทบาตรวยมากเลยบิณทบาทร่ํารวยญาติโยมอุปถากอุปถัมภ์กันตลอด แต่องค์หนึ่งจะบินธบัตไม่ค่อยได้เพราะผลทานก็คือผลทานเนื่องจากท่านแม่ทานมาเรื่องอื่นท่านดีก็ดีไปแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนีแต่ว่าเรื่องทานท่านไม่ให้แล้วมันสอบขึ้นไปจนถึงอรหันต์เลยพระอรหันต์ท่านจะคงจะได้ยินนะฮะพระนี่แหละกรมนิตเนี่ยกรมนิตกับพระพายะายะทรุจิรยะแต่กามนิทนั้นเขาไม่ได้ชื่อกรมนิตนะฮะบาลีเขาเรียกปุกุสาติสองท่านนี้ถูกโควิด ต, ตาย บวชในยุคต้นนะฮะจะมาบวชในยุคต้นแต่ไม่ไม่เคยให้ทานมาเลยไม่เคยให้ทานในเรื่องภาพใจจีวรมาซึ่งเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้คนเป็นเอหิวิคุว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทมามรรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดจะรับสั่งอย่างนั้นแล้วเพศกลับทันทีเลยแต่เพศกลับแต่มันบวกสองบวกนะฮะคือบุญเขาต้องมีกับพุทธานุภาพแต่สององนี้พุทธานอุภาพนั้นมนะีแต่บุญเขาไม่มี พระพุทธเจ้าไม่รับสั่งบอกไปหาภาพมาก่อนหาภาพมาให้บวชก่อนเป็นพวกบวชยุคของพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้แต่เนื่องจากบุญไม่พอพระพุทธเจ้าก็ไม่รับสั่งไม่รับสั่งั้าเดีหาจะบอกก็ถูกโคควิดตายหมดทั้งคู่นี้คืออะไรไม่ใช่ทั้งคู่นะฮะคือคือคือคนละการกันคนละเวลากันแต่ว่าทั้งทั้งสองท่านอนะ่ะงค์หนึ่งเป็นนาคามีองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ถูกโคควิดตายเพราะในด้านฐานนั้นไม่ได้สร้างมา ด้านอื่นท่านก็บารมีท่านก็มาลอยลิฟมาเลยนะฟังเทศปุ๊บเดียวได้บรรลุนี่ไม่ใช่ฝีมือธรรมดาแต่อย่าลืมมาเรื่องทานก็คือเรื่องทานมันจะให้ในรูปเสื้อผ้าให้ในรูปอาหารให้ในรูปอะไรมันก็อยู่ที่สิ่งซึ่งเราให้เราให้อะไรเราก็ได้สิ่งเราสิ่งเหล่านั้นมาเมื่อสองวันวันนี้เมื่อคืนนี่ก็โทรมาอีกยมคนเนี้ย จะมาขอช่วยค่าหนังสือเมื่อวานเนี่ยก็มาช่วยค่าสร้างสาลาเมื่อคืนนี่จะช่วยค่าหนังสือถามว่าเป็นอะไรอ่ะคือท่านทําบุญนะฮะแล้วท่านคล้ายๆสลบไปอะไรเนี่ยแล้วไปเห็นเป็นซุ้มแก้วสวยงามสามซุ้มไอซุ้มสุดท้ายนี่สวยจริงสวยจริงแล้วท่านก็ไปจับเขาห้ามไม่จับจะตีมือ คน ท, ที่ที่รักษาเขาบอกว่าตัวใหญ่แล้วมีขนนําตัวแล้วถามว่าทํำไมจับไม่ได้อะเขาบอกว่าเจ้าของเขายัางไม่มาถามว่าใครเป็นเจ้าของแล้วเขาก็บอกชื่อแกนะเขาชื่อแกว่าแกเป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่นั้นมาแล้วแกก็สบายแล้วก็ก็มีอยู่สามคนด้วยกันสามคนเขาเขาตรงกันหมดเลยตรงกันหมดในนิมิตนั้นตรงกันหมดแล้วก็เขาเกิดศรัทธาอุสาหะใหญ่เลย ตาบุญที่คนก็ามาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าบางทีเข้ามาขอให้ช่วยทําบุญแกไม่มีอะไรนะฮะไอเงินมันมันเกิดขาดมือขึ้นมาดอกดอกเบี้ยธนาคารยังไม่ถึงคราวเลยเนี่ยบางทีแกรื้ของในใ น, ใ น, ใ, นในชั้นอะ อ, อะไรนะเค ร, เครื่องเงินขายหมดเป็นตู้ๆเอาทําบุญนี่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสเองกันสัมผัสเองมันก็ตั้งหลักได้ แต่ว่ากว่าจะสัมผัสเช่นนั้นได้บางทีเราก็ไม่สัมผัสอะไรเลยนะฮะนอกจากว่าเราคิดเอาเองพิจารณาเอาเองเชื่อมโยงเชื่อมเชื่อมโยงเอาเองว่าผลเนี่ย ม, มันเกิดมาจากเหตุอะไรแล้วก็เราสาวก็ไปหาเหตุได้เราจะเห็นว่าผลกรรมไม่ว่าจะสืบเนื่องไปถึงชาติหน้าชาติไหนหรือว่าในปัจจุบันนี้ที่จริงมันก็ส่งผลสะท้อนกันมาเรื่องเปรต เป็นชีวิตประเภทที่เรียกว่ากำลังจะหมดกรรมฮะกำลังจะไม่ใช่กำลังจะหมดบาปไม่ใช่กำลังจะหมดกรรมคือกรรมเนี่ยมันเป็นทั้งบุญทั้งบาปคือกำลังจะหมดบาปเพราะ ง, งั้นด้วยผลของอนุโมทนาใหม่สองครั้งก็เปลี่ยนสภาพจากเปรตเป็นเทวดาได้แต่อย่าลืมนะฮะไม่ใช่ว่าได้ทุกเปรตเปรตพวกนี้มันนานได้เกินแล้วเนี่ยคือเรียกว่ามันมันก็ขาดแคลนอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องเปรต ที่เรียกว่าเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมิศานตอนนี้ก็ใกล้วันศาสตร์ข้ามาเลยก็พูดเรื่องเปรดให้ฟังทด้ไหนก็ยุติดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี